ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็จะได้นำเอาทาตุวิพังแกสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ได้อธิบายมาแล้วโดยลำดับมาแสดงแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายละเอียดซึ่งเป็นเบื้องหลังของพระสูตรมีใจความโดยสรุปว่า คราวหพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่กรุงราชเชครึกก็ไปอาศัยพักที่บ้านนายช่างหม้อคนหนึ่งชื่อพักขวะนายช่างหม้อบอกว่าภายในโรงโรงงานนั้นถ้มีคนเขาพักอยู่คนหนึ่งก็ขอให้ไปติดต่อกับคนที่พักอยู่ก่อนดูแต่เขาไม่ขัดข้องก็นิมนต์พักได้ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปก็รับสั่งถามว่าดวกอนภิกษุถ้าไม่เป็นการหนักหรือไม่เป็นเรื่องหนักใจของท่านแล้วก็จะขอพักในห้องนี้ด้วยท่านผู้นั้นก็อนุญาตพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้าไปแลก็ปูราดอาสนะซึ่งทำโดยยา เป็นการนั่งสมาธิผ่านไปตลอดเวลาครึ่งคืนคุณระบุตรคนนั้นก็นั่งสงบเช่นเดียวกันพระพุทธเ จ, จ้าทรงทอดพระเนตรดูกิริยาอาการของท่านเหล่านั้นท่านผู้นั้นก็เกิดอนุโมทนาว่ากุลระบุตรผู้นี้มีอิริยาบถเรียบร้อยน่านเริ่มใส่จึงรับสั่งถามว่า ท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครท่านผู้นั้นก็กราบทูลว่าท่านบวชอุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นโอรสของสักยะออกปวดจา ก, กสักยะสกกุลแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าโดยนัยะแห่งพระพุทธคุณที่เราสวดกันวัยติปิโสควาเป็นต้น พระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านั้นประทับอยู่ทิศไหนท่านก็บอกว่าอยู่ทางทิศเหนือของเมืองนี้ประมาณสี่สิบห้าโยชน์อยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ถามว่าท่านเคยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วยังบอกว่ า, ย, ายังยไม่เคยเห็นแต่ก็ไปต้องการจะฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าทรงดำริว่า วันระบุดพุนีท่านชื่อว่าปุกกุสาติบวชอุทิศเราแม้จะไม่เห็นเราก็แสดงความศรัทธาเลื่อมใสเพราะงั้นก็ควรจะแสดงธรรมแก่เธอแล้วก็รับสั่งว่าเธอต้องการจะฟังธรรมไหมเราจะแสดงให้ฟังท่านปุกกุสสาติก็กราบทูลว่าต้องการฟัง แล้วก็รับสั่งแสดงว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้ประกอบด้วยธาตุ 6. มีตาข่ายคือมีวิสัยของอายตนะหกมีตาข่ายถึงสายไปในอารมณ์18แล้วก็มีธรรมะที่ควรตั้งไว้ภายในใจสีประการจากนั้นก็ทรงขยายข้อความแต่ละข้อ ว่าคนเราประกอบด้วยธาตุ6กก็คือดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณอย่างที่ให้รายละเอียดมาในการอบรมกรรมฐานส่วนวิสัยของอายตนะทั้ง6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโภธภะได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งและอารมณ์ที่ใจสึกนึกส่วนตาข่ายของอารมณ์18นั้นก็แท้จริงก็คือธาตุสิ จะเป็นการอธิบายธรรมะในแนวละเอียดคืออยายตนะภายใน6อยนายตนะภายนอก6เมื่อตาเห็นรูปมันก็เกิดเป็นวิญญาณเราเรียกว่าจักขุวิญญาณเพราะงั้นก็เลยอยายตนะภายใน6อยนายตนะภายนอก6วิญญาณ6กแล้วก็กลายเป็น18ที่เราเรียกจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณเป็นต้นแล้วก็ส่งแสดงถึงธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจ4ประการ ก็คือไม่ควรประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจากะแล้วพึงศึกษาทางแห่งความสงบซึ่งทรงเรียกว่าอาธิฐานธรรมอธรรมะที่คนควรตั้งไว้ในใจต่อจากนั้นก็ทรงอธิบายาธาตุทั้งหกโดยพิสดารคือคำว่ า, าธาตุในโวหารที่ทรงใช้แสดงนั้นจะพบว่า ถ้าคนมีพื้นฐานบา ร, รมีอ่อนคือไม่มากนะักก็จะพูดเพียงสี่เท่านั้นเองแต่ถ้าคนที่มีพื้นฐานบา ร, รมีสูงก็จะพูดถึงหแล้วอาจจะพูดธาตุมากขึ้นไปยิ่งกว่านั้นเพราะอย่างธาตุสิปที่ว่านี่ฮจกักขูธาตุโสตธาตุขานาธาตุเนี่ยเป็นวิปัสนาภูมิคือเป็นภูมิของวิปัสนาเป็นอารมณ์ของวิปัสนาถ้าหากว่า พื้นด้านสติปัญญาของคนมีไม่มากพอก็ไม่เทศเก่าแค่แค่สี่ข้อมันก็เห็นกันได้ง่ายๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้โปรดเข้าใจว่าไม่ได้เอาในรายละเอียดคือเอาในส่วนที่เป็นคุณลักษณะเด่นซึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายของเราเชนวในส่วนของธาตุดินก็เน้นไปที่ลักษณะแข็งแข็งที่ปรากฏอยู่ในกายเช่นผมคนเละฟันเป็นต้น ธาตุน้ำก็เอาลักษณะที่ไหลเอิบอาบไปมาได้เช่นน้ำลายน้ำตาน้ำมูกน้ำไขข้อเป็นต้นธาตุลมก็เอาสิ่งที่บุคคลมองกันได้ชัดชดสัมผัสกันได้ชัดๆลมหายใจลมในท้องลมตามตัวลมในไส้ลมพัดขึ้นเบึง้งบนพัดลงเบืง้งต่ำธาตุไฟก็หมายถึงไฟที่ทำกายอบอุ่นทากายสุดโซนทากายกระวนกระวายหรือเผอาหารให้ย่อย อากาศธาตุก็เน้นเอาช่องว่างต่างๆที่มีอยู่ในกายและช่องว่างระหว่างเซนต่างๆที่มีอยู่ในกายนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มของอากาศธาตุส่วนวิญญาณคือสภาวะที่ผุดผ่องมีอยู่ภายในใจถ้าพูดภาษาพิธ ร, รมก็หมายถึงผวังขยจิตคือจิตที่ผุดผ่องสงบยังไม่ถูกกิเลสเข้าปรุงแต่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่า เป็นสภาพที่บริสุทธิ์นะครับพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าประพัดสอนนั่นเองประภัดสรคือมีรัศมีโดยทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประภัดสอนคือสามารถขัดให้บริสุทธิ์ได้แต่ว่าต้องทราบมองไปพระอุปกิกเลส ท, ที่จอดมาอุปกิเละก็คือกิเลส ท, ทั้งหลายโลภโกรธหลงเป็นต้นเนี่ยที่เราบางแห่งเราก็เรียกว่าเจตสิก คือมันเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตซึ่งตอนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตใจตัวเราว่ามันก็ไม่ได้ปรุงปรุงแต่งด้วยอกุศลอยู่เสมอบางครั้งมันก็ปรุงด้วยกุศลหรือปรุงด้วยเมตตาปรุงด้วยความเสียสละปรุงด้วยความกรุณาปรุงด้วยปัญญาปรุงด้วยศรัทธาเวลานั้นจิตใจมันก็เปลี่ยนไปตามกุศลธรรมเหล่านั้นเวลาคำนวนที่เราพูดการจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตเมตตาจิตกรุณาจิตปัญญาอะไรเนี่ย นั่นก็คือพูดการรวมกันระหว่างจิตกับเจตสิก ค, คือสิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งจิตเหมือนกับเราพูดเรื่องน้ำในแก้วน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเหลืองอะไรเนี่ยแล้วก็พูดปนกันระหว่างน้ำกับสีที่เข้ามาปนกับน้ำแต่ว่าที่จริงสีกับน้ำมันคนละอันกันอกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจมันก็มีลักษณะอย่างนั้นตอ น, นโดยสภาพใจจึงจึงทรงใช้คำว่าประพัดสอนที่แปลว่าผุดพอง แต่ว่ากิเลสมันก็เข้าปรุงก็เศร้ามองไปตามกิเลสเพราะกุศลปรุงมันก็ผุดพองไปตามกุศลซึ่งสภาพของวิญญาณในธาตุคือธาตุรู้ที่มีอยู่ภายในใจเรานั้นเราก็ดูกันได้ในแต่ละขณะของความคิดว่าบางคราวแกก็ผุดพองบางคราวแกก็เศร้ามองก็แล้วแต่ทีนี้จากนั้นก็ส่งจาแนกสแสดงสรุป กระจายออกไปถึงอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งไม่ใช่คือรูปเสียงกิริโโธผาาุฏพะที่เป็นสื่อให้เกิดการกำหนดหมายในอารมณ์ต่างๆเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นแล้วก็ทรงแยกแยะธาตุเหล่านี้ให้ท่านปุกุสะในเห็นว่าธาตุเหล่านี้มันมีอยู่ทั้งภายในภายนอก มีหยาบละเอียดเลยปนนิดใกล้ๆนะแต่ว่า <c oughs> ให้มองเห็นว่าแท้ที่จริงมันก็เป็นศรรนักด์พระธาตุจะเป็นคุณก็ได้ในเมื่อสัสดส่วนมันผสมกันอยู่ถูกส่วนดีอาจจะเป็นโทษก็ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดคือทั้งหมดนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ว่าดินจะใหญ่โตยังไงก็ตามในจุดหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงน้าจะท่วมใหญ่ยังไงมันก็จุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มาเทียบดูว่า นักภาษาอะไรกายของเราซึ่งเล็กๆไอ้พวกธาตุดินที่มันใหญ่ๆธาตุน้ําที่มากๆธาตุลมที่รุนแรงเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายตนที่ประกอบด้วยธาตุเหมือนกันเพื่อจะถ่ายถอนความยึดถือว่าเป็นเราเป็นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราออกไปแล้วจากนั้นก็ทรงแสดงสรุปเข้าไปในคือกระจายออกไปเป็นเป็นธาตุสิปอย่างที่ว่า โดยทรงสรุปเน้นในตอนสุดท้ายว่าการที่บุคคลจะรู้เห็นตามความเป็นจริงถึงลักษณะของธาตุเหตุกเกิดของธาตุความดับของธาตุและข้อปฏิบัติในถึงซึ่งความดับของธาตุนั้นก็ต้องอาศัยคุณธรรมสี่ประการดังที่กล่าวแล้วคือปัญญาสัจจะคะและอธิษฐานพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไปแล้วก็มาสรุปลงที่อริยสัจทั้ง4ี่นะครับ ท่านปกุศสติก็นึกบอกก็เอ็น e, นี่พระพุทธเจ้านี่คือท่านรู้ด้วยธรรมะไม่ได้รู้จากพระองค์รู้ด้วยธรรมะก็ก้มลงกราบแล้วขอขมาโทษที่คือแสดงอาการเฉยเมยมาตั้งแต่ต้น พ, พุทธเจ้าก็ทรงประทานภัยโทษให้ท่านก็ขอบวชพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเธอมีจีบอลแล้วยังท่านก็บอกว่ายังไม่มีบอกให้ไปหามาก่อนเพราะว่า ไม่บวชแก่คนที่ไม่มีบริขารแล้วเสร็จในที่สุดท่านก็ไปหาจีวรก็ถูกโควิดตายแต่ว่าตอนฟังเทศท่านบนรรลุอนาคามีนะท่บรรลุอนาคามีก็มาถโควิดตายก็บังเกิดในสุด ท, ท่าวาสนี่ก็คือเรื่องจึงท่านทั้งหลายลองนึกค้าโครงออกนะคือเรื่องกามมนิษฐ์ยึ่งกามนกามนิษฐ์ที่กรมมนิษฐ์วาสิชีนั่นเองแต่ว่า คนมาแต่งมันก็แต่งเป็นก ร, รมนิษย์เป็นชาวเมืองโกสัมพีไปข้อที่น่าศึกษากขาคืออยู่เบื้องหลังเพราะว่ารายละเอียดในส่วนนี้เราก็จะพูดในส่วนของกรรมฐานก็คือพระเจ้าปุกกูสาติเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่กรุงมิถิลาซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเขตของปากีสถานถือว่าเป็นปัจจันชนอบศสมัยนั้น ทีนี้พ่อค้าที่ติดต่อค้าขายระหว่างกรุงราชชครึกกับกรุ ง, รงมิถิลาเนี่ยก็ไปติดต่อกันในที่สุดก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างที่เคยเล่าเรื่องอะไรเรื่องนางสามาวดีนะฮะเขาเรียกว่าอาทิทะปุพะสหายอาทิทะปุพะสหายคือสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันพวกเศรษฐีพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์ก็จะไอ้สืบคนที่มีวัย คุนราวข่าวเดียวกันมีทรัพย์สมบัติระดับเดียวกันมีการศึกษาระดับเดียวกันแล้วก็จะติดต่อส่งบรรณาการไปให้กันประกาศเป็นสาหาหรือเป็นเกลือกันแต่ว่าโดยไม่ค่อยไม่ได้พบเห็นกันเหมือนกับพัฒยะเศรษฐีกับโคสกะเศรษฐีที่เคยเล่าในเรื่องนางสามาปฏีท่างทั้งสองนี้ก็ไม่เห็นกัน ปงันพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคสุหรือแวร่มคดกับพระเจ้าปุกุสาติแห่งเมืองมิถิลาเมื่อสืบประวัติการปรากฏว่าเป็นคนปูนเดียวกันก็ตกลงเป็นสหายกันเวลาพ่อค้าต่างเมืองคือจากเมืองมิถิลามาพระเจ้าปุกุสาติก็ขวากของบรรณาการมาให้สหายเวลาพ่อค้าไปจากกรุงราชสุครือพระเจ้าพิมพิสารก็ขวากของไปให้พระเจ้าปุกุสาติแต่ต่อมาคราวหนึ่งนั้น พระเจ้าจปุกษาติส่งผ้าที่ออกจะสำคัญคือผ้ากำพลชั้นดีมาตั้งห้าผืนพระเจ้าพิมิสารพอเปิดขึ้นดูก็ปรากฏว่าเป็นของที่มีค่ามากแล้วก็หาได้ยากเราจะทำยังไงถึงจะตอบแทนสหายให้สมไ เ, เหมาะสมไปเพื่อวรรณาการที่เขาส่งมาท่านก็คิดถึงจะส่งเงินส่งทองส่งนั้นส่งนี้เลยไม่รู้จะส่งอะไรให้มันคุ้มกันและให้มากกว่าด้วย ก็นึกถึงว่าบรรดารัตนทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นรัตนะที่ประเสริฐสุดเพราะงาั้นท่านก็เขียนตั้งแต่นโมนี่ะนะโมพุทธังธรรมังสังขังไปแล้วก็ให้เขียนบทโพเทปเคียธรรม37นะนี่ก็รายละเอียดมากก็คือองค์ธรรมะที่สําคัญที่เป็นข้อปฏิบัติทึงจะนาผู้ปฏิบัติให้บรรลุ มรรคผลในพระพุทธศาสนาก็เริ่มที่สติปัฏฐาน 4, สีมัระปัฏฐาน4อิทิบาสีนสีหพละหโพชฌงเจ็มรรคมีองค์8เขียนจารึกลงไปแล้วก็บอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นแล้วท่านเองไม่ได้เห็นข่าวสารอะไรที่เหมาะสมจะส่งมาให้ยิ่งกว่าข่าวการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราขอให้สหายรับใานบาณการเหล่านี้ พระเจ้าปุกุสาติพอรับไปคลี่ของออกก็ขึ้นชั้นบนของปราสาทพอคลี่ออกมารั้วพาพุทธเจ้าบังเกิดมันก็เกิดปีติโสมมานัดท่วมท้นจิตใจเลยก็ท่องอันนี้แหละอิติปิโสสวาคขาโตสุปฏิปโ น, โนนี่แหละที่เราตวจวจก็สวดสาทยายแล้วก็ศึกษาธรรมะเริ่มปฏิบัติธรรมะอยู่บนปราสาทเป็นปีเลยไม่ลงเลยไม่ลงมาข้างหลัง ชาวบ้านชาวเมืองโบกกับพระเจ้าแผ่นดินไม่รู้เป็นไดไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่รับปณิการของพระเจ้าพิมพิสารเข้าก็ไม่เคยลงมาจะเสวยก็เสวย อ, อยู่ข้างบนพอเสร็จแล้วประชาชนก็เดือดร้อนฮะก็มาประชุมเรียกร้องพระองค์ให้ลงมาพระองค์ก็มาพิจารณาดูว่าทีต่ตอนเนี้มันมันจะเอาอะไรมีสองอย่างจะเอาธรรมะหรือจะเอา ความเป็นพระราชาแต่ตอนนั้นจเจริญกรรมาฐานมานานแล้วนะแล้วก็คิดว่าในการเป็นพระราชานั้นในภพชาติเป็นมากเราก็เป็นมามากแนละ้วแล้วก็มีบาปมีกรรมปะปนกันไปกับการกระทําความดีเพราะฉะนั้นเราต้องเอาธรรมะไว้ในที่สุดก็เสด็จลงจากปราสาทเปลี่ยนเครื่องทรงเลยแต่งออกมาเป็นนักบวชลงมา พระในเพศนักบวชที่พบกันคราวแรกพระพุทธเจ้าใช้คํมมาว่าภิกษุคือท่านแต่งเพศเป็นนักบวชมาพระเจ้าก็เรียกคำว่มมาภิกษุแต่งลงมาพวกมเหสีพระโอรสเสนาข้าราชการทั้งหลายก็อ้อนบอลอย่าให้ออกไปท่านก็ไม่ยอมประชาชนก็ขอร้องท่านก็ไม่ยอมในที่สุดก็เสด็จออกจากเมืองก็จะส่งก็ไม่ส่งเสด็จโดยลําพังพระ อ, องค์เองทีนี้อาศัยที่ศรัทธาท่านมากอ่ะ มันก็แนวเดียวกับที่พระนางสาว ม, มาวดีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคนสมัยก่อนในท่านก็ลึกซึ้งอะ่ะมันสู้คนสมัยนี้ไม่ได้มันขับมอเตอร์ไซค์จะชนกุฏิพระ ไ, ได้ได้คือท่านไม่ให้ไม่ยอมสวมฉลองพระบาทที่นี้เป็นกษัตริย์ก็ไม่เคยที่จะถอดในฉลองพระบาทแล้วก็เดินด้วยพระบาทเปล่าเดินไปพักเดียวมันก็เท้าแตกเท้าแตกท่านก็พยายามไปจนได้ จะสืบกระส่ะสนไปจนถึงกรุงราชเจริได้แล้วก็ไม่ได้แวะเข้าไปหาพระเจ้าพิมพิสาร ท, ทางที่เป็นพระสะหายแต่ก็ไม่ได้แวะเข้าไปก็ไปพักอยู่ที่บ้านในช่างหม้อกวีพระพุทธเจ้าเองนั้นทรงทราบด้วยพระาญาณว่าพระเจ้าปุกุสาติออกบวชอุทิศพระองค์ตอนนั้นทรงอยู่ที่สาวัตถีซึ่งห่างจากราชเจริญตั้งสีหโยชน์ก็เสด็จมาต้อนรับ แต่การมาในคราวนี้ไม่ได้เหมือนเสด็จรับพระมหากรสปะหรือรับพระเจ้ากัปปินะหรือพระนางอโนชาคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นยุคสมัยที่รอคอยพระพุทธเจ้าเหมือนกับพวกตะวันออกกลางรอคอยเมสเซียเนี่ยมีข่าวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านที่มีบา ร, รมีมาในอดีตนี้จะทิ้งหมดเลยอย่างพระเจ้ากัปินะ กับพระนางอโนชาพวกนี้ออกหมดเลยอมัดกับราชินีกับอมเหสีกับพญามาัดพันคนออกบวชหมดพระเจ้ากับพิีณั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปรับที่แม่น้ําจันทาภาเปรง่งฉพานรังสีนะฮะออกรับแบบเปรง่งฉพานรังสีแต่ว่าตอนไปหาปกุาติไม่ไปเ ป, เป็นพระธรรมดาเลยจนถ้าปกุาติไม่รู้ หรือว่าแม้แต่ตอนเสด็จแต่ว่าตอนนางอโนชาพอรู้ข่าวว่าพระสวามีเสด็จออกผนวดนะฮะท่านก็ทิ้งสมบัติออกบวช ด, ด้วยพระเจ้าทรงให้พระอุบลวรรณนาเทรีไปรับแล้วก็ตอนพระหมหากษัตปะเสด็จออกบวชอุชิตพระเจ้าก็เสด็จไปต้อนรับเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเสด็จโดยฉายฉับพานรังสีคือรู้ตั้งแต่ต้น ท่านปกุสาติทําไมไม่ฉายฉพันธ์รังสีเป็นที่น่าสังเกตนะฮะเพราะว่าท่านศรัท ธ, ธามากเหลือเกินแล้วถ้าหากว่าท่านเห็นเสียก่อนไอ้ไอ้ไอ้ปีติอะไรต่ออะไรมันจะมันจะเกิดมากเกินไปแล้วปีตินี้มันก็เป็นทางผ่านแต่นั่นเองคือใช้ใช้ฟังเทศไม่ได้เพราใจมไม่สงบปีติซึ่งในชา้นของโพชงท่านจะเห็นว่าโปปีติและต้องปัดสัตย์ ปิติมันฟูขึ้นของจิตจนสับสนไปเลยตื้นตันดีอกดีใจไปก็ต้องซสงงบเป็นปัสสธิจึงฟังเทศได้ทีนี้ท่านปุกกุษาตินั้นก็ไปคุยแบบธรรมดาอย่างที่คุยๆกันเนี่ยจนในที่สุดบรรลุอนาคามีแล้วท่านก็รู้ด้วยตัวกันท่านเองว่าผู้ที่เทศและท่านฝังนั้นคือพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อ ท่านมาพบพระพุทธเจ้าอย่างเรื่องที่เล่าแล้วนะฮะว่าปัญหาประการต่อไปก็คือว่าท่านถูกโควิดตายตอนนี้ก็มีเรื่องประเด็นอีกหลายเรื่องนะที่จะมองย้อนให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นภูมิหลังหรือบารมีธรรมของคน เ, เรื่องที่มาเคยเล่าคนถูกโควิดตายนี่แล้วก็เล่ามาคนหนึ่งแล้วนะฮะท่านก็นึกออกว่า ภายะทารุจิริยะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นคนนี้ไม่ได้บวชไม่ได้บวชทั้ง3าคนนะว่จริงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นภิกษุบริษัทสองท่านคือท่านปุกุสาติก็ถือว่าเป็นภิกษุแล้วท่านพายะทารุจิริยะตอนนั้นเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ได้บวชเหมือนกันก็ถือว่าเป็นภิกษุแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือนายโจรคราวแดงตุโกควิดตายเหมือนกัน มีเรื่องสองเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านปุกุสาติที่ขัดแย้งกันและอย่างเห็นได้ชัดเจนว่าในการที่ท่านพอได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ไม่เห็นรูปร่างหน้าตาพระพักของพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงมันก็เกิดศรัทธาเรื่อมใสจนศึกษาสาทยายค้นคว้าปฏิบัติอนาปานาสติท่านปฏิบัติอานาปานาสติ อยู่บนปราศาสตตั้งแต่วันรับเครื่องบรรณาการอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติธรรมดามันก็ต้องย้อนย้อนบา ร, รมีนะย้อนบา ร, รมีไปถึงในอดีตการคือในปลายสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฏิบัติเละเทมากแต่มีพระเทระอยู่เจ็ดรูป ก็มาพิจารณาเห็นว่าไอเรามันก็มาบวชตอนปลายนะาศาสนาก็ชักจะสับสนฟันฟ่นเฟือนการประพฤติปฏิบัติของพระก็เลวไหลแต่ไงเราก็ได้บวชมาแล้วก็เลยตัดสินใจทั้งเจดท่านเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาโดยการพาดบันไดขึ้นไปภูเขาชันนะพาดบันไดขึ้นไปแล้วก็ผลักบันไดลมก็หมายความมันก็ลงไม่ได้ แล้วกอธิษฐานพร้อมกันว่าจะปฏิบัติจนตัวตายไปเลยหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องบรรลุมรรคผลมี่สองอย่างนะตายกับบรรลุมรรคผลนี้เป็นสัจจะทิฏฐานในตอนเนี้ทีนี้เมื่อขึ้นไปปฏิบัตินั้นวันแรกองค์ที่หนึ่งคือเป็นพระหมหาเถระก็บรรลุอรหัดเป็นพระอรหันต์ก็ไปบิณฑบาตมาให้อีกหกองค์ชันหกองค์บกเอไม่อยู่ในสัญญาเ สัญญามันไม่มีมีแต่ว่าปฏิบัติจนบรรลุหรือไม่งั้นก็ยอมตายเราตกลงไม่มีใครฉันหกองไม่ฉันพอวันที่สองพระอนุเทระคือที่รองลงมาก็บรรลุอนาคามีเป็นพระอนาคามีท่านก็ไปบินดาบาตมาอีกไปด้วยริดได้นะฮะเป็นพระอหันพระอนาคามีแล้วก็ไปได้ลงจากภูเขาได้แนละ้ว แต่ว่าอีกห้าองค์ไม่ยอมฉันเหมือนกันเมื่อไม่ยอมฉันก็ตกลงว่าหาองค์นี้บําเพ็ญเพียรไปก็อาหารมันก็หมดไม่กี่วันก็ตายาตายแล้วก็เป็นไปตามกรรมในส่วนของกุศล น, นะฮะในส่วนของกุศลห้าองค์นั้นเฉพาะฝ่ายกุศลก่อนคือคือห้าองค์นั้นองค์หนึ่งก็มาเกิดเป็นพระกุมารกัตสปะ เป็นอุรสบุญธรรมของพระเจ้าประสิทิโกศลแม่ท่านเป็นภิกษุณีนะฮะติดท้องมาตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆแล้วมาบวชก็เรามาเครอดตอนเป็นภิกษุณีองค์ที่สองก็เป็นพระพายะธรุ จ, จิรยะซึ่งหลงตัวเองเป็นศาสดาแล้วก็อนาคามีพรหมซึ่งปานุเถระที่ไปเกิดเป็นนาคามีพรหมพระอระหันต์ก็นิพพานไปนะฮะแล้วก็องค์ที่สองนี่แหละคอยช่วยเพื่อนอีกหาองค์อยู่ ดูมืนจะเคยพูดเรื่องประวัติพระกุมารกัจสปะให้ฟังว่าพระกุมารกัจสปะไปบําเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าอันถวันแล้วก็พรมมาถามปัญหา15ข้อเป็นจึงปริศนาให้พระกุมารกัจสปะมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าเฉลยเสร็จท่านก็บรรลุมรักผลนพายาตรุษทารุจิริญาก็หลงทางอนาคามีพรมก็ลงมาช่วยแล้วก็อีกคนหนึ่งหลงทางไปบวชเป็นปริภาชก ชื่อสัพพยะปริภาชกเมื่อทราบข่าวการอุบัติบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าอนาคามิพรมเรื่งองเป็นอนุเทระในชาติก่อนก็ลงมาเตือนให้าพระพุทธเจ้าสามองค์นี้บรลุอรหัตหมดนะฮะทีนี้อีกท่านหนึ่งก็คือมาเกิดมาเกิดเป็นนายโจรคราวแดงอีกท่านหนึ่งก็มาเกิดเป็นปุกุสาติหมดนะทั้ง5เอาพบพระพุทธเจ้าหมดแต่ทีนีไ้ไอ้สังสารวัฏเนี่ยมันเรากําหนดไม่ได้ คนรอมก็ขึ้นขึ้นลงลงในสหายทั้งหมดนี้มันมีอยู่ชาติหนึ่งซึ่งจะเป็นชาติก่อนชาติหลังท่านไม่บอกไว้นะฮะว่าสหายสามคนเนี่ยคือคนที่มาเกิดเป็นปุกุสาติมาเกิดเป็นภายะธรุจิรยะก็มาเกิดเป็นนายจนคราวแดงสามคนนี้ไปร่วมกระทากรรมอย่างหนึ่งคื อ, เ, อเป็นชายหนุ่มไปเที่ยวโวเพณีนะฮะแล้วก็ เสร็จแล้วก็ฆ่าชิงเครื่องประดับเที่ยวโสเปนีแล้วก็ฆ่าชิงเครื่องประดับไป็นางายิงโสเณีคนนี้แต่ก็ไม่เรียกหญิงโสเปนีนะเขาก็ได้ยกยิงแพทย์สยามในภะาษาบาลีก็อธิษฐานไว้ก่อนที่จะตายนะบอกว่าขอจองล่างจองผานแก่คนทั้งสามนี้จนจนจนเรียกว่าบรรลุมรรคผลไม่ผ่านกันทีเดียวเพราะว่าในชาตินี้ หญิงแพทย์ยาคนนั้นก็มาเกิดเป็นยักษินีมาเกิดเป็นยักษกินีก็เข้าไปสิงในโคเพราะฉะนั้นทั้งสามท่านนี้ถูกโควิดตายหมดแต่ไม่ใช่โควตัวเดียวกันนะฮะคิดคนละเมืองกันคือยักษกินีแกตามล้างด้วยวิญญาณพยาบาทจริงๆเลยพระเจ้าปุกุษาติที่หาจีวร อ, อยู่ยักษกินีเข้าสิงโควิดตาย ภายะธรุจิรยะฟังเทศเสร็จบรรลุอรหัตเป็นพระหันแล้วที่หาจีวรือนันก็ถูกโคควิดตายเหมือนกันนายโจรคราวแดงนั่นเป็นเพชฌฆ่าฆ่าโคตมานานเมื่อท่านโปดรดเกษียณพระสาดีบุตรก็ไปเยี่ยมไปเทศได้ฟังท่านใจไม่สงบพอพอเริ่มหลับตาก็เห็นแต่คนที่ท่านฆ่าชั่วช้า ภาษาดิบุตรก็ถามว่าเป็นไงอุบาสกใจไม่สงบเลยท่านบอกไม่สงบมันก็คิดถึงบาปกรรมที่ฆ่าคนนะภาษาดิบุตรก็ตะตะเป็นวิธีเป็นโบหารเทศนะท่านบอกว่าการที่ท่านฆ่านั้นท่านฆ่าเองหรือว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าท่านก็บอกว่าพระราชาสั่งให้ฆ่าภาษาริบุตรก็ตั้งปัญหาให้ท่านคิดอะท่านมันคนซื่อๆ ว่าอาการที่เราฆ่าตามคำสั่งของพระราชานั้นเป็นบาปด้วยหรือบาสทั่นก็ไปคิดว่าไม่บาปวพาไม่บาปก็ใจสงบสงบก็ฟังได้บรรลุโสดาพระภาษิิบุตรออกจากบ้านท่านก็ตามมาส่งออกนอกบ้านก็ถูกโคขีดตายวันโคสามตัวนี้ถูกนางยักษีนีซึ่งอดีตชาติเป็น <c oughs> หญิงแพทย์สยาคนนั้นฆ่ามาสิงขีดตายหมด ซึ่งท่านจะเห็นว่าทั้งสองกรณีนั้นเป็นการตัดกันอย่างแรงเลยเป็นการตัดกันอย่างแรงแต่ที่นี้ปัญหาที่น่าคิดอีกข้อนหนึ่งนะฮะคือเป็นยุคต้นยุคพุทธสมัยตอนต้นไม่ใช่ยุคหลังๆมาแล้วเป็นยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงทรงให้การอุปสมบทด้วยเอหิพิคุอุปสัมปทา คือรับสั่งด้วยพระดำรัสสั้นๆนะฮะถ้าเป็นอรหันต์อยู่แล้วอย่างบวชแก่พระยาศานี่ฮะพระพุทธเจ้าจะรับสั่งเพียงว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอนาคามีลงมานะฮะเป็นพระอนาคามีลงมาจะรับสั่งว่า จงเป็นภิกษุมาเถิดทาอันเราก่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเท่านั้นเองแล้วท่านบอกว่าเป็นบุญญาธิการของผู้ที่จะบวชนั้นอย่างหนึ่งเป็นพุทธานุภาพนั้นอย่างหนึ่งคือเพศของผู้บวชจะกลับกลับเป็นพระไปทันทีเลยมีจวงจิวรมาเสร็จทีนี้สององค์นี้ทําไมอ่ะทำไมไม่รับสั่งก็เพราะว่า ไอ้บารมีนี้มันต้องช่วยกันสองด้านนะคือบารมีส่วนตัวนั้นต้องมีอยู่กับบารมีพุทธานุภาพถ้าพุทธานุภาพอย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้ท่านทั้งสองนี้อย่างอื่นก็ดีหมดเจเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนขี้เหนียวไม่เคยบริจาคฐานเพราะผลที่เกิดขึ้นจากจีบรที่สําเร็จด้วยฤทธิ์นั้นมันบอกว่าเป็นผลจากการถวายผ้าไตรจีบอล แลท่านก็ไม่เคยให้ผ้าอะไรแก่ใครเลยในภพชาติต่างๆอย่างอื่นดีนะฮะอย่างอื่นดีท่านก็ได้ส่วนดีของท่านแต่ว่าส่วนของทานบริจาคท่านก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ผลเหล่านี้มันก็ไม่เกิดก็ น, นีก็เป็นเรื่องของเหตุของผลคือเราทำเหตุอะไรไว้เราก็รับผลอย่างนั้นเมื่อท่านไม่สร้างเหตุผลก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นท่านจึง ไม่ได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิพิกุอุปสัมปาท า, ท, าทั้งๆที่ถ้าหากว่าแตวก็กาบมันมาทันพอดีนะฮะสมมติว่าท่านบัวก็ถูกโควิดตายเหมือนกันนะดังนั้นประเด็นที่น่าศึกษาในเรื่องเหล่านี้ก็คือว่าในเรื่องของบารมีธรรมเป็นยุคเป็นสมัยในข้อนี้พระอาจารย์บอกไว้ด้วยนะพระเจ้าปเสนที่พระเจ้าพิมิสารนั้นเมื่อก่อนทีเดียว ต้องการจะนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดแต่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จปัจจั น, น, นทร์เฉลบุตรคือนอกจากส่วนกลางของชมพูทวีปนั้นไม่เสด็จแต่นี้ก็เป็นหลักฐานชั้นอัตถกถานะแต่ว่าในชั้นบาลีเราก็ไม่พบพระพุทธเจ้าเสด็จนอกจากว่าเราจะขีดเขียนกันเองอย่างในเมืองไทยเรานี่ก็มาเหยียบอะไรละ่ะพระบาทไว้ที่สระบุรี มามาอะไรล่ะไปตากผ้าไว้ที่ไหนล่ะไปตากผ้าไว้ที่อุตรดิตนึ์งไงไปอาบน้ำที่อุตรดิตไปตากผ้าที่อุตรดิตแล้วก็หายไปทางเมืองลับแลคนไทยเราก็เอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่นี่เรียบร้อยนี่ผ่านแล้วได้ถหลายสีป่ปีก็เอากระดูกมาบรรจุไว้ที่พระธาตุพนมไปแล้วพระธาตุะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เราสร้างกันขึ้นเองทีหลังโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเสด็จ ก็ในเมืองลังกาสมัยที่พระเจ้าอุบัติอยู่นั่นนะคคนลังกายังป่าเถื่อนยังไล่ฆ่ากันปุเลงปุเรงผู้ก็ยังไม่รู้เรื่องแม้พระามหินไปโปรดทีหลังก็ต้องรอให้พระเจ้าเทวานามบิยติสสะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก่อนแล้วก็ได้มีการส่งทยอยข่าวสารไปแนะนำ เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็นึ่งถือไม้ตะพดอันเดียวนุ่งผ้าเตียวขึ้นไปนั่งแทนก็เป็นแล้วสมัยนั้นลังกาก็ไม่ได้เจริญอะไรเพราะงาั้นการที่พระพุทเจ้าจะเสด็จไปโปรดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เราพูดไม่รู้เรื่องดังนั้นพระเจ้าพิมมิสารจึงไม่นิมนต์แล้ว ก, กลับส่งราชสารไปแต่กจากการส่งราชสารนั้นก็เหมือนกับเรื่องของอะไรล่ะ อนาถบินทิกาเศธีร่วมมีคนเป็นนั้นมากเนี่ยคือถือว่าพุทโธโลเกอุปโนโนนะฮะประโยชน์ก็ใช่พุทโธโลเกอุปนโนพพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกที่เป็นคำที่รอคอยกันมากพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกคนสมัยนั้นโดยเฉพาะพวกที่มามีบา ร, รมีนั้นจะรอคอยมากเป็นการกระตุ้นของบา ร, รมีซึ่งเราก็อาจจะพิจารณาที่ ตัวของบุคคลแต่ละคนเองก็ได้ปพระการที่จิตใจโน้มเอียงมาในด้านศาสนาในด้านธรรมะสนใจหาความสงบไปไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบา ร, รมีที่กระตุ้นเตือนเมื่อคืนนี้ไปได้เอกสารหลักฐานมาอย่างหนึ่งจะเป็นการศึกษาที่จริงอันนี้พบมานานแล้วมันก็หายไปก็หาไม่เจอคือเขาบอกว่าอายุขายของคนเนี่ย อายุขายคนไทยเนี่ยมันก็มี60ผู้หญิง66นะครันะฮะอายุน้อยแต่ว่าในอายุ60สปีหรือ66ปีเนี่ยเวลาชีวิตของคนเราใช้ไปเพื่อการนอนอย่างเดียวจะ2ีปีไปแต่งตัวจะส1บปีไปกินจะแปปีไปคุยเรื่องไร้ายสาระสสเจะปีแล้วก็รอทีทด่ดีๆนะฮะ ศึกษาในโรงเรียนแค่สามปีศึกษานอกโรงเรียนแค่สมปีที่น่าคิดมากที่สุดก็คือประพฤติปฏิบัติธรรมะถือครึ่งปีเท่านั้นเองถือสรุปนับเป็นนาทีกันนะฮะเอานาทีมานับเอาชั่วโมงมานับกันก็เราปฏิบัติธรรมะกันได้ครึ่งปีเท่านั้นเองแต่เราก็ถูกเพื่อนเอาไปเฉลี่ยเฉยเหมือนกันเพราะว่าคนที่บางคนไม่ได้สักวันหนึ่งก็มีแต่เราก็เอาคนซึ่งปฏิบัติเข้าไปเฉลี่ย ตาทำให้เห็นได้ว่าไอจิตใจที่จะเกิดความโน้มน้อมไปหาเรื่องเหล่านี้จะต้องอาศัยบารมีข้าสนับสนุนพระเจ้าปุกุสาติท่านไกลามากเลยท่านอยู่ถึงปัจจั น, นชนน บ, บทอยู่ถึงมิถิลาแต่พอได้รู้ข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าเหมือนกับทนนาทบินทิกะเศรษฐีพอรู้พระรพเจ้าอุบัติบังเกิดแล้วนอนไม่หลับไปเฝ้าทั้งๆ ท, ท, ท, ที่กลางคืนโดยเข้าใจว่าเป็นกลางวัน เพราะฉะนั้นท่า น, านปรกสาติก็มีแนวเดียวกันแนวความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากบารมีในอดีตกชาติของท่านที่ท่านเป็นพระภิกษุมายอมตายด้วยการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้มันก็เก็บสะสมไว้ในจิตสันดานของท่านก็ทําให้ท่านพอได้ฟังข่าวพา ร, รัตนาไตรแล้วก็เกิดปีติขึ้นมาก็สาธยายสรรเสริญพระพุทธคุณก็มายังมานั่งสาธยายให้พระพุทธเจ้าฟัง แสดงว่าท่านก็ทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้ามากปัจจัยที่เกิดความทราบซึ้งจึงไม่ใช่เป็นปัจจัยปัจจุบันเพราะปัจจัยปัจจุบันท่านยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพียงแต่มีอักษรกีดเขียนไปบอกข่าวเท่านั้นเองท่านก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสและที่ที่เห็นได้อย่างชัดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าธรรมะที่พระเจ้าพิมิสารส่งไปให้ก็เหลือกําลังนะฮะ ส่งโอภโิปักษ์คียรร์จะทำไซึ่งไม่ใช่ธรมธรมะธรมาาธรมาดาธรรมดาธรรมะระดับของกรรมฐานกิรระดับของจิตตสิกขากับปัญญาสิกขาไม่ใช่ระดับของศีลสิกขาแต่ก็มีในองค์ในอริยมรรคก็มีส่วนของศีสิกขาอยู่ท่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจมาอ่านแล้วเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าเข้าใจเฉยๆปฏิบัติด้วยปฏิบัติจนเห็นคุณค่านะ มันทางแยกที่สำคัญเราจะพบว่าไม่ใช่ฝีมือธรรมดานะฮะทิ้งสมบัติเพื่อออกบวชนี่ไม่ใช่ฝีมือธรรมดาแต่ท่านมองในแง่ของคนที่เห็นเรื่องสังสารวัตโดยท่องแท้นะคือ้ามองในความเป็นประราชานั้นแท้ที่จริงถ้าก็เป็นมาเยอะแยะแล้วในพบในชาติต่างๆแต่ว่าเรื่องของศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นง่ายแล้วก็เกิดขึ้นบ่อย เพาท่านยอมสละสมบัติเพื่อเอาพระศาสนาการปฏิบัติของท่านมีแน ว, แนวแคล้ายๆกับพวกพระปฏเจ้าพุทธเจ้าที่ท่านแสดงไว้ในสุตานิบาตนะพวกมีแนวอย่างเงี้ยพระปัจเจ้าพุทธเจ้าจะหมกตัวอยู่ระยะหนึ่งก่อนเงียบไม่ยุ่งไม่สงสิงกับใครศึกษาปฏิบัติไปเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งได้จะทิ้งสมบัติแม้จะมีคนไปอ้อนบอนขอร้องขัดขวางอย่างไงไม่ยอมดูแล ใอ้ออกบำเพ็ญเพียรเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัเจกพุทธเจ้ายิ่งไปใหญ่ฮะเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวช่วยหนุนในปัจจุบันเลยนอกจากบารมีมันเกิดแก่ขึ้นมาแล้วก็เกิดความโบเอียงขึ้นมาก็ไปซะเดือๆนั่นเอง ด, ดังนั้นในจุดนี้จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบารมีธรรมที่คนเก็บสะสมอบรมมานั้นไม่ได้หายไปไหน รอคอยเวลาที่จะได้เหตุปัจจัยเพิ่มพูนบา ร, รมีเหล่านั้นแต่อย่างที่เคยบอกว่าต้องมีการกระทำที่สืบต่อนะฮะคือไม่ใช่ว่าบา ร, รมีนั้นก็เหมือนกับการรับมรดกถ้ารับแล้วก็จ่ายอย่างเดียวในที่สุดมันก็หมดจะต้องมีการกระทำเพิ่มเติมขึ้นในปัจจุบันแล้วแสดงถึงไอ้ความมั่นคงในด้านศรัทธาวิริยะของท่านเรียวอินทรีของท่านนั้นแก่กล้ามาก ทั้งศรัทธาก็แก่กล้าวิริยะก็แก่กล้าก็เดินขนาดคลานนะฮะที่ท่านเล่ารายละเอียดเนี่ยท่านคล้านที่หลังไอ้เท้าแตกหมดเลยเราก็เดินมาไกลนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรคือความเคารพในพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ไม่ควรสวมฉลองพระบาทไปเหมือนกับพระนางประชาบาดีโคตมีที่เคยเล่าให้ฟังท่านก็ไม่ยอมสวมเหมือนกันนะฮะ ไม่ยอมสวมฉลองพระบาทก็จะส่งด้วยรถก็ไม่ยอมไปนี่เราก็มาเปรียบเทียบถึงว่าอย่างคนเราในปัจจุบันนีครจันทิวัตรเองไม่ต้องอะไรสา ม, ม, สมทุ่โมสี่ทุ่มบางทีมอเตอร์ไซค์บิ้วเวลข้างกุฏิเราก็บางอัดเทปอยู่เอาต้องเลิกเทปใหม่นะเนี่คนสมัยนี้มันก้าวหน้ามากเลยคือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้อีนางขังขอบอะไรใครจะเป็นสถานที่ใดก็ไม่รู้ฉันจะขับโมโโอเตอร์ไซค์ของฉันแล้วก็ข้าวไป ในวัดนะฮะงทีตั้งสามสีทุ่มแล้วยังมีมอเตอร์ไซค์อยู่ในรรษานี่มีมากที่สุดเพราะมาเยี่ยมพระใหม่กันนอกภรษายัางพอทํเนาหน่อยนี่ก็คือความสำนึกซึ่งห่างไกลกันเหลือเกินมาในสถานที่เช่นนี้แล้วก็ยังเอะโวยวายโครมครามกันแต่ว่าท่านขนาดไม่เห็นพระพุทธเจ้าเดินทางเป็นร้อยโยช น, นะฮะท่านยังอุตส่าห์ถอดฉลองพระบาทแสดงความเคารพ แต่วความเคารพนั้นท่านไปได้ไมาจากไหนท่านท่า น, ท, านท่านไม่เคยรู้อะไรก็คือความกระตุ้นเตือนของบารมีธรรมแล้วในที่สุดท่านมาลองดูธรรมะอย่างที่บอกแล้วว่าคือพวกวิญญาณกับอากาศเนี่ยฮะอากาศกับวิญญาณอากาศทากับวิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นกรรมฐานระดับอรูปกรรมฐานอารมณ์ก็กรรมฐานสมถะกรรมฐานนั้นมีอยู่40 แต่ว่าที่จริงก็สอนให้คนทั่วไปปฏิบัติเพียงสามสิบหเท่า น, นั้นเองเพราะอีกสข้อนั้นเป็นอรูปฌานก็อาการสารานจายตนะก็เพ่งอากาศก็วิญญาณัญจายตนะเพ่งวิญญาณเป็นเรื่องละเอียดแต่รู้ว่าจะเอามาสอนท่านท่านปุกุสาติซึ่งบวชอุทิศพระองค์เพราะอะไรเพราะเป็นการสอนไปตามอินทรีของท่านท่านอินรีย์ท่านแก่กล้ามาก ถ้าท่านสามารถฟังเข้าใจนะฮะเวลาอธิบายเวลาทรงอธิบายนั้นไม่ใช่ใช้ภาษาธรรมดาเลยภาษาที่ออกจนละเอียดแล้วก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้ทันถ้าไป็งั้นก็ไม่เข้าใจแต่พระเจ้าบุคุศติท่านเข้าใจจนพิจารณาตามไปแล้วก็บรรลุมรรคผลไปได้ในที่สุดมือเป็นพระอนาคามีนี่ก็คือ บารมีที่ทํามาแตกต่างกันลองลองเห็นนะฮะว่าเจ็ดองในองหนึ่งบรรลุอรหัตในชาตินั้นองค์ที่สองบรรลุอนาคามีในชาตินั้นแล้วต่อมาอีกเหลือ5้าองบรรลุอรหัตเพียงสององเท่านั้นเองคนหนึ่งก็เป็นโสดาคนหนึ่งก็เป็นเอาไม่ใช่บรรลุอรหัตสามนะฮะสัพยยาปริพาชคบรรลุอรหัตพายะทะุจิรญาบรรลุอรหัตมากัตตะกุมารกัตตปะบรรลุอรหัต อีกสองท่านท่านหนึ่งได้อนาคามีท่านหนึ่งได้โซดาซึ่งความแตกต่างนั้นจริงๆมันก็คงจะต่างกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยต่างกันมาตั้งแต่ชาติที่ขึ้นภูเขามาด้วยกันแลแต่ในขณะที่ปฏิบัติบําเพ็ญ น, นั้นแสดงว่าผลที่แต่ละท่านได้นั้นไม่เท่ากันมันเริ่มจะถอยห่างออกไปแต่ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นบา ร, รมีที่กระตุน้นให้ท่านเหล่านั้นมาเกิด พบพระพุทธเจ้าหมดทั้ง5ท่านแล้วก็อยู่กับคนละทิศทางนะฮะอยู่กันห่างกันลิบโรกเลยพระกุมารกัจจปะนี่อยู่ที่ เ, เกิดที่แคว้นโกศลสัพพิยะ เ, เกิดที่กรุงราชชึกจนราวแดงนี่เกิดอีกเมืองหนึ่งแต่ว่าแกะถูกจับถูกจับทีหลังแล้วก็ไม่มีเพชฌฆาตท่านก็รับเป็นเพชฌฆาตฆ่าเพื่อนของท่านเองอุตรุ ด, ดีเหมือนกันแล้วก็พายญาธุจิรยะ เกิดที่เมืองสุนาปรันต์มันไกลมันไกลกันคนละทิศทางพระเจ้าปุกษุษาติก็ไปเกิดที่มิถิลานี้ก็คืออะไรคือในสังสารวัตนั้นไม่ได้ส่วนของความดีอย่างเดียวแต่ว่าคนทำความไม่ดีอยู่เยอะและในความไม่ดีมันก็ตามกันมาให้ผลอย่างในกรณีของท่านสามท่านที่ทำความไม่ดีด้วยการฆ่าคนแล้วท่านก็ถูกชดใช้ด้วยการตาย ซึงนางยักษิทีนีนั้นก็ก็ไม่ได้ดีอะไรหลอกทีนี้เพราะไปฆ่าพระอริยบุคคลทีเดียวทั้งสาคนจะเป็นบา ป, ปรกรรมที่ตัวเองจะต้องชดใช้กันต่อไปนั่นก็คือกรรมที่มาจำแนกแบ่งแยกให้คนเราแตกต่างกันเพราะนในสังสารวัฏเป็นอันมากเนี่ยในแต่ละภพแต่ละชาติคนเราก็ทาอะไรไว้ไม่เหมือนกันอยู่ด้วยด้วย ดีบ้างไม่ดีบ้างหรือบางทีก็ขึ้นขนลงลงบางทีก็ขึ้นเป็นแนวดิ่งขึ้นไปซึ่งก็พวกนี้ก็กลายเป็นพวกบารมีแก่กล้าและคนที่แก่กล้ามากที่สุดก็คือพระพายยะทรุจิรยะท่านนี้ยืนพูดกลางกลางถนนเลยนะฮะเทศกลางกลางถนนเลยแล้วก็บรรลุมรรผลได้ในขณะนั้นอีกหน่อยเดียวก็ น, นิพานพายะพายะธรุจิรยะเองก็เข้าใจธรรมะลึกซึ้งมากเลย พอตอนอนาคามีซึ่งเป็นเพื่อนมาบอกว่าท่านเองไม่ได้เป็นพระหันรหรอกก็ให้ไปหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระหรันท่านมาอย่างแรงนะมาจากเมืองอสุปะกะสุปราปกะมาเดินทางพักคืนเดียวกันเองมาอย่างแรงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เทศให้ในตอนแรกเพราะว่าท่านท่านมาพอเห็นพระพุทธเจ้าท่านปีติท่วมท้นมาก พระเจ้ารับสั่งว่าเรากําลังบินทบาทอยู่ให้รอก่อนเด้กลับจากบินทบาทก่อนท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยคือชีวิตของพระองค์ก็ดีชีวิตของข้าพระองค์ก็ดีมันหากําหนดไม่ได้เพราะนั้นถ้าจะรอเนี่ยอาจจะตายแต่คนใดคนหนึ่งตายแต่ก็ได้คือพระเจ้าอาจจะนิพพานก็ได้หรือว่าท่านเองอาจจะตายก็ได้ก็ขอให้เทจตอนนี้คือไม่ใช่เล่นนะฮะความคิดความอ่านคมมากเลคือมองเห็นแม้แต่เสี้ยวของนาทีเป็นแต่ละส่วนของชีวิตเนี่ย มันมีความตายที่แฝงเร้นอยู่มาพร้อมที่จะตายเพราะงั้นเมื่อถึงโอกาสจะทําความดีก็ต้องรีบกระทําพระพุทธเจ้าพอเห็นพระปิติท่านลดลงมาเป็นปัสจัติคือความสงบแล้วก็เทศเทศก็เทศนิดเดียวนะฮะดูก่อนพยะเมื่อเห็นก็ให้คิดว่าสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็ให้สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ก็คือให้กิเลสมันตกไปจากใจแล้วก็ให้มองแบบวิปัสสนานะฮะ มองวิปัสนาเคยเห็นว่าก็รูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชเหล่านั้นก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงเท่านั้นเองท่านพิจารณาตามแล้วก็บรรลุเป็นพระหันไปดังนั้นความคิดสองแนวโดยเฉพาะที่เป็นเบื้องหลังเน้นก็เป็นการเน้นในเรื่องกรรมกับเรื่องสังสารวัตรแล้วก็สำแดงออกทั้งกุศลกรรมทั้ง อ, อ ก, กุศลกรรมที่บุคคลได้กระทาไว้ในสังสารวัต พวกนี้ก็มาจำแนกมาแสดงอิทธิพลของตัวเองเต็มที่พื้นฐานของความเชื่อถือซึ่งเป็นหลักใจในการดำรงชีวิตพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงความความเห็นไว้สองชั้นนะฮะสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู่สองชั้นชั้นหนึ่งก็เรียกว่าสาสวะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสาสวะสัมมาทิฏฐิคือเป็นความเห็นสัมมาทิฏฐิของคนที่ยังมีกิเลสแต่ม่ยาสวะ แต่ว่าเป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติที่ประณีตขึ้นสูงขึ้นสมาธิิอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นสมาธิอนาสวะสมาธิิคือสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วมันหมดอาสวะได้แก่ความเห็นในอริยสัจทั้งสต่นั้นฐานชีวิตจิตใจของบุคคลเราจึงอยู่ที่สมาธิิในส่วนที่เป็นสาธะสมาธิิก่อน พระนี้ทรงแสดงไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรโดยเชียเห็นว่าสมาธิที่เป็นสาสวะสมาธิินั้นก็คือสมาธิสิ10ประการนะฮะที่พูดในอะไระในสาเหลยกสูตรในอปานากสูตรอปานากสูตรที่พูดในันก่อนคือความเชื่อการยอมรับว่า การให้ทานมีผลการบูชามีผลการบวงสรวงมีผลแต่คำว่าทานในที่นี้ท่านจะเห็นว่ากระจายไปนในส่วนของทานการบูชาก็เหมือนกันจะกระจายตัวเองไปนในส่วนของการบูชาการสัมมาคาระวะการอดนอ้อมการถ่อมตนต่อบุคคลอื่นก็อยู่กับพวกบูชาทั้งนั้นการบวงสรวงก็เหมือนกันซึ่งหมายถึงว่าการปฏิบัติในลักษณะขัดเกลาต่าง เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เกิดความสงบไปเกิดความสะอาดขึ้นภายในจิตใจแต่การยอมอมารดามีบิดามีมารดามีคุณบิดามีคุณหมายถึงการสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมด้วยคือไม่จะเห็นอย่างเดียวนะฮะสะท้อนออกมาเป็นเชิงพฤติกรรมคือให้ความสําคัญแกม่มารดาบิดาสํานึกคุณของมารดาบิดาแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเอื้อเฟื้อต่อมารดาบิดายอมรับว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเป็นการ ช่วยให้เกิดความระมัดระวังในการกระทํากรรมทั้งหลายเพราะว่าผลของกรรมนั้นนั้นเราจะได้รับทั้งในปัจจุบันและก็ในภายภาคหน้าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ๆนี้ท่านจะเห็นว่าก็เป็นกรรมที่ออ ก, กนะจะแรงนะฮะจะแรงมันก็ให้ผลแรงในปัจจุบันแล้วก็ยอมรับว่ากรรมที่สัตว์ทำดีทาชั่วคือกรรมทั้งหลาย เจตนาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้บุคคลกระทำอะไรลงไปทางกายทางวาจาทางใจใถือว่าการกระทำนั้นมีอยู่แล้วยอมรับถึงความมีอยู่ของท่านผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยตนเองคือยอมรับเชื่อถือความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าของพระหันทั้งหลายแล้วก็ยอมรับถึงความมีอยู่ของโอปปาติกะคือสิ่งที่เกิดในกำเนิดที่4ี่ที่เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิด ก็จะทำให้บุคคลมีหลักในการดำรงชีวิตอย่างน้อยที่สุดก็ละเวน้นไอเหตุแห่งความเสื่อมต่างๆด้วยการกระทำกรรมซึ่งตัวเองก็จะรับผลในชาติปัจจุบันด้วยและในด้านของการกระทำความดีก็จะเพียรพยายามในการกระทำความดีเพื่อได้รับความสุขในปัจจุบันด้วยแล้วก็เป็นบารมีธรรมที่จะข้ามจุนสนับสนุนตนเองในสัมปราคภาพภายภาคหน้า พันตัวอย่างของพระเจ้าปุกุษาติจึงเป็นการสะท้อนของกรรมทั้งสองแนวนแต่ก่อนท่านก็แนวก็สูงหน่อยคือเป็นบารมีระดับที่สะสมอบรมมามากแล้วจะเรียนรู้อะไรเข้าใจได้ในเวลารวดเร็วซึ่งเราดูว่าไอคนที่บารมีแนวนี้นะฮะอย่างเช่นภาษาริบุตร ภาษิบุตรนี่ก็บารมีก็เหลือก็มางนั่นกันนะฮะคือคือเขาก็พูดสองบรรทัดแต่นั้นเองท่านทะลุโปรงจนบรรลุโสดาปัจจุบันนี้เราก็ท่องกันได้และกิเลยังไม่ร่วงเออทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระฐาคตเจ้าสเถรแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติจัดอย่างนี้ก็สองบรรทัดอ่ะหรือว่าที่ท่านพายญาทะุจิริยะมันก็สรุปแล้วถ้าเขียนออกมามันก็สบรรทัดนั่นกัน แต่ท่านเกิดเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งหรือว่าที่ทรงแสดงแก่ท่านโมกคราชอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะฮะแสดงท่านโมกคราชเนี่ยท่านโมกคราชถามว่าข้าพระองค์จะมองเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะมองไม่เข็นคือจะตามไม่ทันหมายความมาพูดง่ายว่าไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายพระ้ว่าเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนโมกคราช เธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของศูนย์แล้วถอนอัตนานุทิฐิคือความเห็นว่าเป็นเราความเห็นว่าของเราความเห็นว่าตัวตนของเราออกไปที่เรามักพูดโดยภาษาธรรมะว่าอ้างการมามังการนะฮะที่ยุ่งมากที่สุดอ้างการมามังการอ้างการก็คือเราอ้างการก็เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นมามังการก็คือของเรา นะไอเรากับของเรานี่มันวุ่นวุ่นอยู่ในโลกเนี่ยซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นท่านจะพบว่ามันไปยึดไปติดแล้วก็เกิดความสับสนเกิดความสับสนเมื่อวานนี้ก็ไปพบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ท่านพูดแล้วมามานอนใจฝ่ออยู่เลยคือท่านบอกว่าผู้รับตําแหน่งคณะสงฆ์เนี่ย คือพูดถึงว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านจะลาออกมานอายุท่านเจ็กว่าแล้วแล้วท่านผู้ใหญ่ท่านเนี่ยท่านไม่ยอมไม่ลาออกมาก็ถามมาทําไมไม่ให้ท่านออกแล้วก็ท่านก็แก่แล้วจะให้คนอื่นก็นํามาทาํางานมั่งแต่พอคนอื่นก็เป็นก็จนตายก็เป็นก็จนตาย ก, กาย็แล้วกันเนี่ยแล้คนยิ่งแก่ยิ่งแกล้งยิ่งทํามีความสามารถก็ไม่รู้เอาสูตรมาจากไหนเพราะคนเราที่จริงบัตา60แล้วมันชักจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับ สติปัญญาความกระฉับกระเฉงว่องไวความประบเปลี่ยาการตัดสินปัญหาอะไรแต่อะไรมันก็ช้าและความกระตือรือร้อนอะไรเนี่ยมันอ่อนลงแล้วมันก็หมดพลังไปะยะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเองเป็นเราเป็นของเราก็ต้องพยายามเป็นกันเรื่อยเมื่อเราเป็นก็ขอให้เราเป็นจนเรื่อยทั้งทั้ที่ก็รู้อที่สุดสุดท้ายของชีวิตก็มาจบลงที่ลงที่แคบเนีดยเดียว ในหลวงก็เพื่อนไม่ให้เอาไปจะด้วยก็ไม่ไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็พอจะมองเห็นการแต่เพราะอาหางการกับมะมังการคือเรากับของเราเราของเรานี่ฮะท่านทั้งหลายลองดูที่ที่มันยุ่งๆอะเรากับของเราแต่แม่ที่ไม่ใช่ของเรานะที่เคารบกันอะไรที่เกนาน่าที่อะไรเมื่อคืนนี่ก็ที่อิสราเอลไอที่อิสราเอลนี่แหละตายกันเยือดใจไปหมดเลย เราก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรเพราะมันไม่ใช่ไม่ไ ม, ไม่เราไม่ได้มีมะมังการคือไม่ได้รู้สึ ก, กว่าเป็นของเราเราก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นแต่เวลานี้เราก็เดือดร้อนเพราะน้ำท่วมนั้นก็เพราะมะมังการเพราะบ้านเราท่วมด้วยเราก็เดือดร้อนแต่ถ้าเรามองในแง่ของธรรมดามาในแง่ของเหตุผลของความจริงแล้วก็ไม่เอาใจเข้าไปคลุกคล้ากกับเรื่องเหล่านั้น คือรอให้บ้านเปียกอย่างเดียวใจก็ไม่ต้องเปียกใจไม่ต้องเปียกก็ไม่ต้องด่าปูเทียมอะไรเขาอยู่สบายสบายไปแก้ไขปัญหาไปก็ใจเราก็เย็นได้นะฮะแต่ว่าเพราะอาหางการ ม, มังการ2องตัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราก็เอามาพูดกันเสมอว่าอาหางการนะฮะของเราไอ้มาอาหาการคือเราเป็ น, นรเราเราเราเราแล้วกับมังกรก็คือของเรา้าตุบรรทานไอ บรรเทาความรู้สึกสองแนวนี้ลงไปได้ความสงบความเยือกเย็นก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตได้นั่นก็คือมองให้เป็นเรื่องว่างๆจะบ้างคือไม่มีสาระแก่นสารอะไรอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็ไม่ดึงเข้ามาให้มากรัดกรุ้มให้มาไม่สบายใ จ, จเอาเฉพาะที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน ในที่เฉพาะหน้าผ่านไปก็ผ่านไปยังไม่มาก็ยังไม่มาเอาเฉพาะที่ปัจจุบันอะไรๆมันก็จะเบาๆลงไปบ้านนี่ก็เป็นเป็นเรื่องการสอนให้มองโลกในแง่ที่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ว่าในระดับของโลกียะกิริทั่วไปหรือว่าระดับที่สูงขึ้นไปก็เป็นเรื่องกฎเกณฑ์เกื่อไขาตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อไร่ที่ไหน โดยวิธียังไรก็ได้ถ้าเหตุปัจจัยมำหน่วยให้สมัครปันณีก็จะขอยุดิไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี